ที่ไหนมีพลังของพุทธคุธรรมคุณสังฆคุณคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมแล้วคุณของพระสงฆ์เราก็จะได้สัมผัสถึงความสงบคำว่าสงบในที่นี้ก็คือไม่วุ่นวายสับสนสถานที่สงบ เรยนวัดปลาส โ, โ ต, โตทัยบางทีอยู่ันเยอะแต่กัเงียบบางทีช่วงปฏิบัตินี่คนเข้ามาในคนหัวลุกเลยอยู่เป็นร้อยนะไม่มีเสียงพูดเสียงคุยไม่มีความเอกิกเลิกอย่างงทีเราอยู่กันสองคนถ้า กำกับความคิดไม่ได้คิดแล้วพูดคิดแล้วทำวุ่นวายสับสนทีเดียวหรือแม้กระทั่งคนเดียวที่เราอยู่กับตัวเองนั่นแหละก็วุ่นวายสับสนยุ่งเหยิงพอสมควรเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องมีพุทธคุณธรรมคุณและกษัตริย์กุลมีธรรมชาติที่เป็นความจริง มราจะเกิดเรื่องของการปรองการสังเวทการปล่อยการวางพวกนี้มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนเราได้ยินคํานี้แต่ว่ามันปรากฏในตัวเรานะมันคือความเป็นไปได้เราจะทำมันพิสูจน์ได้ น้องก็มาใส่ตนแล้วท้าทาทยให้มาดูกันเมื่อวานเราฟังหลวงพ่อเทียนนะถึงฟังไม่ค่อยชัดแต่ก็จับประเด็นได้หลายจุดท่านพูดถึงคำ ท, าทนะ้าทายพิสูจน์ได้คนที่มีปัญญาเนี่ยมันไม่เชื่อเครื่องรางของขลังเชื่อมันก็บอกอยู่แล้วของขังของขังก็คุกขังนนะ ของขังคุกทิมขังแต่ว่าไม่ใช่ขังแบบให้เราอยู่ในข้อแต่ว่ามันกลายเป็นขลังมันมีแล้วนะของสนเสน่ห์ทำให้เราได้ยึดได้พึ่งได้หลงไหลได้รู้สึกว่ามีความมั่นอกมั่นใจในชีวิตในการดําเนินชีวิตไปไหนก็คิดว่ามันจะคุ้มครอง อันนี้มันไม่ใช่ลักษณะของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่เป็นคนที่เกิดจากความฉลาดมีสติมีปัญญาหลวงพ่อเทียนพูดเอาไว้ชัดว่าเวลาเขาแทงเนี่ยเราก็ไม่ออกไปให้เขาแทงเวลาเขายิงเนีเราก็ไม่เข้าไปให้เขายิงยิงไม่เข้าแทงไม่ออก จริงๆแล้วมันก็คือยิงไม่ออกแทงไม่เข้าน่ะปืนยิงไม่ออกก็เลยมาหาอุดเนี่ยนะก็จะมีการเสกกระถามหาอุดเข้าไปยิงไม่ออกเลยปืนเผลอๆก่อนยิงเนี่ยปืนแตกระเบิดใส่ตัวอย่างเงี้ยเลก็เลยว่ายิงไม่ออกแคล้วคลาดแทงไม่เข้าก็คือแทงแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งกับเขาทําเป็นเก่งไปขวางน ไปห้ามไปเป็นฮีโร่ไงไทยสกัดโดนก็เสียบกลับมาไงก็คือให้อยู่อย่างมีปัญญาเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เป็นไปได้นไม่ใช่เลื่อนเลือนลอยลอยลมลมแรงแรงแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเหมือนกับว่าศรัทธาเชื่อแบบเหล้วไหลมงคลตื่นข่าวะ มันเป็นลษณะของการสัมผัสที่เราสัมผัสเห็นความจริงก็คือลษณะของอาการเกิดดับของทุเรียสัี่ที่มันเกิดขึ้นมาคือความจริงที่มันทำมาที่เราปฏิบัติกันอย่างพลิกมือเนี้ยมันจริงไหมเนะี่ยนั่งอยู่เนี้ยมันจริงไหมเนะี่ยมันจริงแต่เราไม่ได้ไปสนใจใส่ใจก็เรื่องแบบนี้กันเรื่องของกายของใจของรูปของนามมิแต่าขาด สิ่งไหนล่ะสิ่งนั้นเติมคือสร้างบา ร, รมีกันอยู่คิดแต่เรื่องสร้างบา ร, รมีอย่างเงี้ยนะเราจะต้องเรียกว่าฝึกตนสอนตนจนกระทั่งเข้าถึงสภาวของพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณแล้วก็เพื่งกายเพื่งใจเพื่งสติสีลสมาธิปัญญาที่มันมีอยู่ในความรู้สึกตัวเนะี่ยทำอย่างท่างมันรู้สึกตัวนะทั่วสารพรางกายเบื้องต้น ใหม่ๆมันจะไม่รู้หรอกตัวสา่างกายมันจะไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ไม่รู้พยายามที่จะมารู้สึกเป็นจุดเป็นจุดมันก็ไปยอมรู้สัมผัสกระทบสัมผัสกระทบสัมผัสกระทบเนี่ยไม่รู้ตรงเนี้ยธรรมะจริงๆมันสัมผัสได้ความจริงมันสัมผัสได้มันเป็นไปได้แม่ต้องความคิดจิตซึ่งมันมันเป็นนามธรรมนะสัมผัสได้เสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเอ อาการที่มันบ้าไบหลงลืมหลงตัวหลงรู้หลงหลงหลงเพลิดเพลินหลงสารพัดมันเป็นตัวหลงที่มันก็มีคุณมีค่ามันมีสติระลึกรู้ทุกลางที่รู้เท่ารู้ทันก็เปลี่ยนเป็นตัวปัญญาพ้นปัญหาทั้งปวงผ่านอารมณ์ที่มันดักหน้าดักหลังมันผ่านสติมันจะออกหน้าออกตายยี้ รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั่วสารพางกายด้วยตรงนี้มันจะเกิดอาการโล่งปร่งเบาขึ้นมะาแต่ถ้ามันรู้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุ ด, เ ป, จดเป็นจุดเบื้องต้นมันก็จะมีอาการหนักบ้างแน่นมัง่งมีการที่ทําแล้วรู้สึกไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ต้องทําต่อไปไม่ว่าจะเพ่งจะจ้องจะเก๊จะเก่งจะเก้อจะเขินมันจะเกิดความกลัวขึ้นมาในการปฏิบัติต่างๆมันเป็นอารมณ์ปฏิบัติทั้งหมดนะเพียงกับว่าเรารู้สึก ได้แล้วก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนผ่อคลายบรรเทาแก้ไขเกิดความสมดุลสมดุลความเป็นปกติความเป็นกลางมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้สัมผัสขณะต่อขณะเลยแต่เราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตดีๆต้นนี้มันคือการเดินทางชีวิตนเป็นพัฒนาการที่ดีแล้วเราก็ต้องมีพลังที่แล้วอินทียห้พลังให้ดีๆมีศรัทธาลงไปมีปัญญาลงไปมีความขยัหลงไป มีสมาธิลงไปแล้วก็มีสติลงไปสตินี่นําเลยตัวใหญ่สุดสูงสุดมันกับมือห้านิ้วนะลองยกขึ้นมาดูเราเห็นนะนิ้วกลางมันยาวสุดสูงสุดมันนําแบบนั้นสติมันเป็นลูกตนูเป็นลูกศรพุ่งตรงสู่เป้าหมายชัดเจนแม่นยาการลึกรู้อารมณนะ์อารมณ์ก็พังผ่านทันทีมันเป็นตั้งยา น, นเป็นตั้งฌาน ยานคือมันเป็นลักษณะของการขนส่งกันอย่างรั้วชานก็คือลักษณะของเพ่งเผาเลยจดจ้องเพ่งเหมือนจะโชกชกให้ตรงเบ้าตาเลยจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนมั่งมนุษย์เนี่ยเวลาโดนแล้วมันล้มลงแล้วก็ชักมันปลาถูกทุบย่างมีอยู่หลายจุดนที่เพื่อนเคยใช้มาเนี่ยเนี่ยต้องเอาทีเดียวจอดเงี้ยระวังเก็บกําลังให้ดีๆ แล้วก็ซัดทีเดียวไปเลยอย่างเงี้ยเคยใช้มันก็ใช้ได้จริงจริง ท, ท้ายสุดก็คือเราต้องหลบต้องหลีกต้องหนีความผิดอะไรมันมีอยูนะ่จุดอ่อนของใจเราก็มีเหมือนกันก็คือจิตที่มันคิดนึกมันปร่งมันแต่งเวลามันหลงไม่รู้สึกตัวนะจุดอ่อนอย่างนี้มันก็เห็นชัดๆอย่างนั้นนะทุกคนต้องการอายุวันณนะ่าสุขภล ะ, ละละรักสุขเกียรติทุกข์ แต่ปรากฏว่เป็นสุขที่เกิดจากการกนะำหนดกำหนดอยู่ในชาญในองค์ชาญมันมีอยู่ชาญก็คือมันเป็นลักษณะของการเพ่งอย่างลรเพ่งรู้สึกตัวนี้นเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะใครทำแล้วไม่สุขแสดงมันผิดทิศ ผ, ผ, ผิดทางาแล้วแหละความเป็นปกติสุขอันมีอยู่มันมีสุขจากอิงามิตหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อก่อนก็แค่ปัจจัยสี่อยานีนะ แต่ตอนลังมีเครื่องดีซีตีเป่าบันเทิงเลิงโรมต่างๆเพื่อก่อมโลกนะเป็นบทเพลงก่อมโลกะที่จริมันมีบทเพลงจากธรรมชาตินะเสียงลมพัดอย่างนี้โเพราะจะตายฟังให้ดีลุ้นเลิงบันเทิงใจมา้างบันเทิงทำด้วยเสียงนกร้องเสียงหลีดเหลีหลหลลยงเลยอะไรแบบนี้นะแต่ว่านก็มีเสียงผลิตเสียงแปลกๆขึ้นมาภาษาก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนให้เกิดการไหลหลงกันไหมนะดูหนังดูละครโคนต่างๆนะทาให้เกิดการไหลหลงให้หยุดลงปรงสังขารการปรงการแต่งเหล่านะี้มันเป็นลัวษนะของการปรุงแต่งที่เป็นว่าทำประเพณนะีเป็นลนักของจารีตต่างๆนะสังคมนิยมต่างๆชุมชนกะำหนดขึ้นไวนะ้เพื่อให้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะเป็นอารยธรรมนะเป็นการแสดงออกเพื่อนะแสดงถึงอำนาจ เร่ของเราเกิดก่อนเกิดหลังมีแล้วณะของวิจิตสินนะประนิสินต่างๆไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมหรือศิลปกรรมสถาปัตยกรรมต่างๆที่พยายามให้เป็นเรื่องของมรดกโลกต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาบางทีธรรมชาติจะสร้างสรรค์าบางทีมนุษย์จะสร้างสรรค์อย่างนะี้นะผ่าเกินร้อยปีขึ้นไปกรมศิลปก ร, กรก็กำลังจ้เป็นโบราณวัตถุน เพราะนั้นเราก็เป็นเรื่องของชีวิตนะที่เราใชนะ้ชีวิตของเราให้เกิดความสะดวกนะรู้จักกายรู้จักใจรู้จักตัวตนของเรานะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรามันมีอยู่ก็คือความคิดทั้งหมดเป็นคลังเป็นคลังของสมมติบัญญัตินะทำให้เกิดข้อบัญญัติต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระวินัยนะเป็นเรื่องของกฎหมายต่างๆระเบียบกรอบข้อบังคับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะธรรมชาตนะิเรื่องของความจริงที่มันมีจริงๆรงิเราสัมผัสได้ทุกอายศาสตร์สียมันคือความจริงทุกสมุทัยนิโรธมัะทุกเหตุแห่งทุกเนยมันคืออะไรทุกก็คือเรื่องหนาของนะความไม่รู้ทั้งหลายทั้งปวงที่เราชอบนะหลงเข้าไปมันเป็นความทุกข์แน่นอนเข้าไปยึดเป็นตันหาประทานนะอะไรที่มันดีก็เป็นของไม่ดีทั้งหมดนั้นนะถ้าเราหลงโง่เข้าไปเนี่ย แต่ถ้าเรารู้ซื่อๆนะมันก็เป็นความฉลาดอย่างหนึง่งทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมญาตนะแต่ถ้าหลงไปตีความเป็นพอใจเป็นไม่พอใจเป็นถูกเป็นผิดเป็นเหตุเป็นผลตัวนั้นอันแน่นอนที่สุดนแต่ถ้าทําหน้าที่อันนี้มันต้องใช้สมมติบัญญัติหน้าที่คือกรอบของข้อสมมุติบัญญัติต่างๆเราก็ต้องใช้ให้เกิดความสมดุลขึ้นมาวัตถุหนึ่งของสองสามบุคคลหนึ่งสองสาม ก็จะเป็นลั้ษนะของกฎเกณฑนะ์ที่มันมีอยู่ให้เราได้เหมือนกับว่าได้สัมผัสจนทั้งเกิดความเรียกว่ารงตัวขึ้นมาสมรสมารสมัครีเห็นด้วยนะมีความเห็นร่วมกันธรรมชาติก็จึงเป็นเรื่องทีนะ่เราสามารถจะสัมผัสได้แน่นอนโดวยว่าการเคลื่อนการไหวของกายนะนั่งเดินยืนนอนถนนีะ้ท่า4ี่ขันธ์หนะี้มันเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้ ขณะที่รู้มันก็ไม่ใช่คิดนะะไม่ใช่เจตนาแล้วก็ไม่ใช่เจตนามันมีอยู่หรือว่าเป็นเจตนาก็มีอยู่หรือว่าไม่เจตนาแต่ไม่ทุกข์ก็มีอยู่แต่เป็นความรู้แล้วรู้ถูกนะรู้อันนี้คือความคิดที่เป็นพลังของธรรมชาตินมันเกิดขึ้นเองห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกที่ตัวมันมีตัวกายกับตัวจิตใจของเรามันก็คือตัวสังขาร สังขารคือการปรุงแต่งทั้งหมดของทาตุขันก็เป็นเรียกว่ารูปธรรมของนางมธรรมก็คือความคิดทั้งหมดที่ปรุงแต่งคิดและพูดคิดและทำเรื่องของจิตอย่างนี้นะมันเป็นนามทั้งหมดก็คือสติมันเป็นนามเนี่ยเมื่อมันรู้นามมันก็ต้องรู้ไอ้ที่เป็นรูปสัมผัสที่เป็นรูปได้ก็ต้องสัมผัสที่เป็นนามได้เพราะมีมกายมีใจมีจิตมีวิญญาณอยูย่จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาเห็นตัวเรา แต่เห็นนอกตัวเราก็ต้องเรียกว่าต้องมีสติมันถึงจะเป็นตัวปัญญาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสติมันจะเห็นนอกเห็นในมันจะเป็นปัญญาได้ทั้งนอกทั้งในภายนอกมันมเป็นความสะดวกเป็นส่วนประกอบของชีวิตเราปัจจัยสี่ห้าหกเ็ดแปดต่างๆนะเอามาบัลลังกาแทขันอย่างเงี้ยให้ขันของเรามันอยู่ได้นะโดยเพราะรูปขันเนียตรงนี้ ถ้าเราไม่รู้จักมันมันก็เป็นมาร น, นะนห่านเะนี่ยเป็นขันตมานขัดขวางชีวิตของเรามากแต่ที่จะชีวิตให้เกิดความสะดวกนะติดติดขัดขั ด, ขดอยู่ได้แหละนะมันก็ลดวิ่งไปจอดไปวิ่งไปจอดไปเพอเพอแล้ซ่อมนานนะมันก็ไม่ได้เป็นการเดินทางสู่การพ้นทุกขนะ์ไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะี่ะเป้าหมายของชีวิตเราก็คือนะความเป็นปกติหรือว่าพระนิพพานนะเป็นความสงบเย็นเป็นประโยชน์นะ เป็นความรู้ตื่นเบิกบานหรือว่าความหมายใดๆก็ตามเราเรียกว่าไม่ใช่ของคู่เนี่ิพานเป็นเรื่องที่ไปคนเดียวเอาอะไรไปก็ไม่ได้เป็นเรื่องสลัดคืนทั้งหมดเป็นเรื่องของห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงทรัพย์ห่วงการงานห่วงอะไรไม่ได้เลยเป็นความห่วงไม่ได้แต่ถ้าเป็นหน้าที่ก็ต้องทําหน้าที่อย่างไม่ต้องทุบอันนี้มันจะหมดคําถามไปแล้วมันเป็นการทําหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ไป หน้าที่ต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งอย่างนี้นะมันก็คือรากษณะของธรรมะที่เราต้องปฏิบัตินอนก็มาใส่ตัวแล้วก็เป็นพลังพลังที่จะใช้ในการนั่งเดินยืนนอนคิดพูดทะคิดก็คิดด้วยเมตตาพูดก็พูดด้วยเมตตาเป็นลักษณะของอภิบัญญาจะใช้ชีวิตทําอะไรลงไปก็เป็นเมตตาเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นอันนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราแผ่เมตตานะ การแผ่เมตตาที่ดีสุดคือแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเมื่อเรากินอิ่มแล้วอิ่มมามีแรงก็ช่วยคนอื่นได้เราช่วยได้อย่างไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเหมือนกับนั่งเครื่องบินอย่างเงี้ยเวลาเครื่องบินมีปัญหาขึ้นมาออกซิเจนไม่มีก็ต้องเอาออกซิเจนใส่กับตัวเองก่อนแล้วค่อยใส่กับคนที่อยู่ใกล้ตัวต่อไปที่เขาอันแอร์กว่าหรือว่านั่งเรือเงี้ยล่มชูชีพที่เป็นลนักษณะของชูชีพก็ต้อง ใส่ของตัวเองก่อนนที่เป็นเสื้อชูชีพอย่างเงี้ยนะใส่ของตัวเองก่อนเมื่อเรารอดปลอดภัยรอยตัวได้ไม่จมน้ําช่วยผู้อื่นต่อมันเป็นอย่างนั้นแต่บางทีอาจจะเป็นรนะดับการช่วยที่เป็นการช่วยแล้วอาจจะมันยุติตอบว่าในระคูรถทรยศหักหน้าหักหลังอันนี้เราก็ต้องทําใจซะมันเป็นไปได้หมดนอย่างงูเห่ามันกัดชาวนาไงหรือว่าเคย ช่วยนกในแนนหลายตัวทีเดียวเช่นนกขาบรู้จักนกขาบไหมตัวจะออกสีเขียวๆออกสีเขียวๆออกน้ําเงินแล้วก็ตัวก็จะดําด้านหลังดํำมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินจากสาราไก่ลงไปที่สาราหน้าไปฉันอาหารเช้ามันนั้นสังเกตมันมีเสียงนกร้องร้องดังมากผิดปกติเรารู้ละ เสียงนกเพ็มร้องปกติเสียงร้องผิดปกติเป็นอย่างไรวันนั้นก็ร้องแบบผิดปกติขึ้นมาเราก็หันไปดูก็เห็นนกตัวหนึ่งมันติดนหนามหวายหวายรู้จักต้นหวายหมมันจะมีมือหวายมือหวายเนี่ยหนามจะคม ม, มันจะไต่ไปเพื่อจะเกาะต้นไม้อื่นเพื่อที่ย่งตัวเองขึ้นไปชูคอเล่าหนามต้นหวาย ก็นกมันเคยวิ่งเคยบินได้อย่างคล่องตัวเวลาวิ่งก็วิ่งได้อย่างคล่องตัวเวลาบินอย่างเงี้แต่วันนั้นไอ้นกตัวนี้สวยนบินไปติดน้ํามหวายก็แต่มันก็โชคดีไนงะก็คือมีพระใจดีคืออาตมาน่นนะแหละเข้าไปช่วยมันพอไปช่วยแล้วมันมันก็รู้สึกว่าเออปลอดภัยขนานั้น ม, นะมันก็อยู่ในอุ้งมือของเราก็รู้สึกว่ามันรอดปลอดภัยมีคนช่วย หลังจากที่ส่งเสียงร้องเรียกให้คนช่วยพอช่วยเขาก็เงียบพอช่วยเขาเสร็จเราก็จับเ้าแล้วก็กําลังเอามืออีกมือนึงไปจับสองมือเพื่อที่จะปล่อยอีกมือนึงเพื่อให้มันน้ําหนักที่มันบีบเข้าไวนะ้น่ะมันเบาปรากฏว่าข้ามือเอาปากของเ้าเนี่ยนะมาจิกนิ้วของเราเข้ามาจิกแล้วก็นกนีปป่ปากแข็งแรงมากนะ เวลาเขาจิกเข้มานี่ยมันมันเลือดมันห่อนิ้วมันห่อเลือดแล้วก็ซึมซึมเนีหลังจากที่ปล่อยมาโอเลือดออกเล ย, เยปากแหลมคมเราก็รู้โอ้มันเป็นอาคขันยูเนาะแต่จริงๆมันคือรู้สึกไม่ปลอดภัยเงี้ยมันก็จิกเอาเงี้ยอีกตัวหนึ่งที่เคยเจอคือเป็นนกแสงแซวนะนกแสงแซวเรากรู้ว่าเนแซวตลอดทนะนะแต่ตันนึงไอ้นกแสงแซวเนี้มัน ตกน้ำํำคือหน้าแรงหน้าร้อนแล้วก็น้ําใส่ถังเอาไวนะ้ทีนี้ไอตัวนกแจงแจวเนี่ยก็ตกไปก็ไปกินน้ําแล้วก็บินขึ้นไปรอดก็กางปีกรอยตัวอยู่แล้วก็หมดแรงด้วยนะขณะที่ฉันเสร็จก็เดินผ่านไปก็กร้องเราก็ไม่เห็นว่าตัวมันอยู่ไหนก็หาอยู่สักพักนะึงอา้าวไปอยู่ในถังน้ําไปลอยคอเล่นอยู่นะนะั่น แล้วก็ขึ้นไม่รอดก็เลยจับอันนี้ตัวใหญ่มากทีนี้เขาหนาวเ้าหนาวตัวสันล้วก็เห็นว่าเออหนาวตัวสันก็เลยเอาจีวรมาห่อเขาเช็ดปีกเขาจนแห้งเลยนะเสร็จแล้วก็เอาเนื้อไปเขี่ยวจะงอยปากที่เขาหนาวหนาแล้วก็หัวเขาสันทั้งหัวเลยหัวสันแง๊กแๆๆๆๆๆกแ๊ๆง๊่ะ พอเนื้อไปแตะครับเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาจิกทันทีเลยเหมือนกันเราก็เลยเห็นเออการช่วยเหลือบางทีก็ผีพราญเข้ไปช่วยหรือว่าไม่มีปัญญาไม่ระมัดระวังในอันตรายเวลาช่วยคนก็เหมือนกันอย่างเช่นเราเห็นคนก็ปีนตึกใน youtube หรือในข่าวต่างๆเนะเราจะเห็นโอ้บางทีช่วยไม่เป็นเข้าไปเดินจะฆ่าตัวตายนะ่ะรีบเข้าไปชาร์จนะแทนที่จะระมัดระวังนะ เขาก็งายท้องลงมาเราหัวฟาดเนี่ยตายคายที่อย่างนีน้เรียกว่าช่วยไม่เป็นมันก็เลยต้องเรามาระวังกันะบางทีก็ต้องคิดด้เมตตาพูดในเมตตาช่วยด้เมตตาแต่ท้ายสุดก็คือต้องเรามัดระวังมันก็จะมีผลของเมตตานะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดได้เหมือนกันอันนี้มันก็จะบอกเราะขณะที่เราเกี่ยวข้องกับวัตถนะุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามการคิดการพูดการทำ ใช้นะคําพูดระดับไหนถ้าเป็นระดับของเปรตสนนโลกอสุรกายก็เดี๋ยวมันก็โดนกลับมาระดับเปตสนนโกอสุรกายเหมือนกันแต่ใช้ระดับเทวดาพรหมเป็นคําพูดที่ฟังสบายผลลัพธ์ก็คือเขาก็โต้อตอบกับเราแบบฟังสบายเหมือนกันเนี่ยเราก็ได้เห็นในตัวเราในตัวเขาเลยทันทีตรงนี้แหละที่มันจะใช้ชีวิตให้เกิดความสะดวกและสะนุกนะเราก็จะเห็นว่าเออ ลักษณะของอายุวันณสุขาพละนะพละเกิดจากการมีเมตตาจริงๆเป็นกำลังของชีวิตเราเหมือนกันแต่กำลังของการปฏิบัติเกิดจากตัวศรัทธาปัญญาหรือว่าสมาธิหรือว่าตัววิริยะหรือตัวสติที่เรียกว่าอินทรียาพละห้าอย่างงี้นะแล้วก็ลักษณะของความสุขเนี่ยเกิดจากฌานแท้ๆเลยนะเกิดจากฌานนะเป็นฌานระดับต่างๆฌ า, นะาน4ี่พวกนี้นะ มันเป็นที่พักของจิตจอทั้งเหมือนกับว่าถ้าใครไปติดข้าวแล้วก็ติดสุกอยู่แค่นั้ น, นตัวนี้ก็ต้องสลัดออกจอทั้งเป็นสุขที่เกิดจากความเป็นปกติแล้วเราก็ไม่ติดสุขเพราะนั้นตรงนี้เราจะทุกข์ก็ได้จึงมีการช่วยคนเห็นคนก็ทุกข์ก็ไปช่วยเขาเห็นงานมันมีปัญหาเข้าไปแก้ตรงนี้มันจะเกิดการอาหารอ ง, งาอาจขึ้นมาที่เรียกว่าไม่มีใครทาเราจะทำนั่นแหละ คนหลายคนก็หวาดกลัวหลายคนก็มีปัญหาหลายคนก็เก่งแต่ปากแต่ไม่ลงมือทำํำนะเราก็อาสาลงมือทําแสดงออกลงไปเป็นเป้าให้เขายิงอย่างเงี้นะมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นไหะจึงบอกว่าถ้าใครรู้ทำมาแล้วพูดทำ ม, มาเนะแน่นอนที่สุดโลกธาตุสันสเทือนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่อย่างอื่นหรอกไม่ใช่ว่ามืดฟ้ามัวดินนะ จริงๆถ้าแบบคนมามืดฟ้าหมู่ดินก็คือมาเดินกันมาจนฝุ่นฟุ้งนั่นแหละจนบางแสงของพระอาทิตย์ก็ว่าได้แล้วเราจึงเห็นในพระสูตรเนี่ยโอ้คนมากันเป็นพันคนเลยนะมาฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จสัมมาวุฒิเจ้าอาันทิตาบริยายยสูตรอย่างนี้นะบรรลุธรรมมันเป็นพันคนเลยห้าร้อยคนนะสามาาร้อยคนสองร้อยคนเราก็มองดูว่าเออมันอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆทำไมาก็มองว่าไม่อศัศจรรย์หรอก หรือว่าโอ้สมเด็จสมัมมาเจ้าน่ะเดินแล้วก็องค์โโโโุริมานเดินไล่แล้วเดินไม่ทันะมันจะไปสู้คนเดินจงกรมทุกวันได้ยังไงคนเดินจงกรมทุกวันมันแข็งแรงเนี่ยอันนี้สอการเดินจงกรมสมาธินเกิดขึ้นเสื่อมได้ยากอย่างงี้นะหรือว่าทําความเพียรได้ทนอย่างเงี้ยแล้วเดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยอาหารก็ย่อยง่ายอาพาษก็น้อ ย, อยมันคนที่เดินจงกรมอยู่เป็นประจําน่ยแข็งแรง เวลาเดินเดินเดินเดินแข็งแรงเดินเร็วถ้าจะเดินขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เดินแล้วก็เดินได้เรื่อยๆเมันมีก็มันอยู่จึงเชื่อองคกุลมาเนี่ยเป็นโจรเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิใ น, ในขนาดนั้นเนทําในสิ่งที่ชาวโลกก็ไม่ทํากันโดยใช้ลักษณะของความฉลาดนเป็นลนักษณะของคนที่มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาด้วยแต่บางเอเรานะมีความเห็นผิด ครูบาอาจารย์สาบแช่งแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับว่าอืมพูดชี้ น, นะชี้พงให้กระลอกจนทังองค์กริมานก็เห็นว่าเออคําพูดของครูบาอาจารย์เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับใส่ล้ายไปสีแล้วก็ทําให้เหมือนกับตัวเองเนี่ยมีปัญหาเป็นทุกข์อย่างมากมันไม่ได้พูดถึงความจริงอย่างนั้ น, นก็เลยลักษณะว่าประชดประชัน แสดองออกจนกระทั่งมันก็่าสร้างเหตุร้ายึ้นมาจนเป็นประวัติศาสตร์ทางวิศากรราก็คือตัดนิ้วหวัวแม่มือของคนนะเอามาร้อยคอจนกระทั่งนับได้เป็นเก้าร้อยเกสิบเก้าศพอย่างง้นะจริงๆมันพันตศศพแรกๆคือไม่ได้เก็บเอาไว้ เ, เพียงแค่ว่าหลังจากที่ เ, เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กล่าวมาร้อยใหม่ หลังจากที่นิ้วมันหายไปหลายนิ้วเน่าไปหลายนิ้อก็เริ่มต้นใหม่อย่างนี้นะเราเห็นเออถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แสดงว่ากําลังของสติของสมาธิของปัญญาที่เป็นมิจฉาทั้งหมดมันก็ทําความชัว่วยได้อย่างสําเร็จแล้วก็ถูกต้องแล้วก็รุนแรงด้วยนะ่อันนี้เราจึงเปลี่ยนกันเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างนะ่ะที่เป็นเรื่องไร้ในชีวิตนะ้เป็นเรื่องแ ล, วแล้วก็แล้วไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ให้เป็นงความรู้สึกตัวที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของเราเรียกว่าแทบจะตลอดเวลาเลยเท่าที่มันระึกรู้แล้วก็รู้ถูกอันนี้เรียกว่าความรู้สึกตัวแต่พูดถึงความรู้สึกตัวจริงๆอ่ะพูดไม่กี่คำก็จบละโยไมย่เกินไหวแล้วก็รู้สึกเนี่ยจบแล้วแค่เนี้ไม่ต้องมาสาธยายไล่อะไรยาวขยายความอะไรมากอันเนี้ยบางทีน้ําท่วมทุ่งผักบุง้งหลงเหลงะ อย่างเช่นทุกวันเนี้ยเราสังเกต ด, ดูนะกล่องแพ็คสวยๆใหญ่ๆแต่มันอัดลมไว้ซะคลอนนะคลอนคลอนถุงเลยมันฝรั่งอย่างเงี้นะมันอัดลมไว้ค่อนถุงมันมีเนื้ออยู่นิดเดียวนอกนั้นนะจอกอย่งนั้นแหละนะกินก็นไม่ได้อีกอันก็คือเราสังเกตได้พวกยาสระผมนะยาสีฟันมันอัดลมมาไว้นะ ผองบวมหลอดใหญ่มากน่าซื้อมากฝาจะบีบออกมาเป็นไงซื้อมาแเปิดฝาออกบีบลมออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊บถึงมาเจอเนื้อเม็ดออกมานิดเดียวะมันบีบไปคอนหลอดแล้วยังไงทำมาเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น่ะถ้าจะพูดกันไปแล้วนะชอบฟังชอบอะไรกันไม่ชอบทาเนี่ยเมื่อถึงแล้วนะน้าท่วมทุ่วงบุบุงหลงเหลงเอาแต่ เอาตะโจกน่ะกินโจกกันนะเนื้อมีนิดหน่อยเพราะฉนั้นไปเอาสารราช ก, การปฏิบัติในให้มากตัวเดีจะมากได้นะเรียกว่าปริยัติที่จะดีแล้วเขาสู่ตัวปฏิบัติแล้วก็ถึงตัวผลของการปฏิบัติอะไรก็เป็นผลการปฏิบัติแหะถูกต้องหมดมทำแล้วง่วงทำแล้วเบื่อทำแล้วฟุ้งซ่านทำแล้วทุกข์นั่นแหะใช่หมดนั่นแหละเป็นผลของการปฏิบัตินะตวงังใจถูกก็ผ่านนะเออเป็นปัญญาที่พุทธะที่เราพิ่งได้นะ ถ้าพูดจริงๆแล้วไม่ต้องพูดอะไรกันมากเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกจบแล้วใจมีสติอยู่กายบรับบบถาเราปกติของเล็บศีลจบแล้วลงมือทําเลยแต่พอทําทแล้วอาการต่างๆมันกําลังเดินทางอยู่มันก็จะเห็นขอบทางต่างๆมากมายแล้วกัน น, ะ น, ะ น, ะ น, ะ น, นั้นวันนี้เดี๋ยวข้าวมาก็จะเดินทางอีกเหมือนกันก็จะเดินทางไประยองสักแป๊บหนึ่งคะเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมาะจะไปแบบใจหรือใจเด็ดนิดหนึ่ง ใจโผร่ที่ละยองเดี๋ยวพรุ่งนี้โผลที่นี่ต่อทําว่าเช้าพรุ่งนี้ทันแบบนี้ก็จะทำตอนเช้าก่อนที่จะเดินทางไปยังวัดสุรินต่อไปอย่างนี้นนะดังนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่ต้องเอาสิ่งที่เป็นโจกนนในรายละเอียดขยายความทั้งหมดนะให้เอาสาราเพียงแค่ว่าตอนนี้ท่านรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่ากับการฟังสาราจริงๆอยู่ตรงเนี้ตะวันหูเสียงผลกระทบเนี่อรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าถ้ารู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าน สิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติกันมานะมันเป็นความจริงที่อยู่ในตัวเราแล้วขณะเนี้ยก็ขอใหนะ้ความจริงชนิดนีน้เป็นความจริงที่เชื่อมโยงต่อเนื่องจนทั้งถึงที่สุดแห่งกองทุกขนะ์มีแต่ความสุขเกษมสารคือความเป็นปกติหรือเรียกว่าสภาวะของพระนิพพานก็จงปรากฏนะโดยไป ย, ยนขณนะโดยทั่วนากันทุกท่านทุกคนนั้นเตือ